จักขูสมุทั ย, ยนะนะพระองค์ละแล้วด้วยปะหานะประิญญาละก็คือปะหานะแต่เป็นประเภทปะหานะประิญญาถ้าละได้เท่าไหร่นะมันก็จะแจ้งอ่ะซึ่งในตรงนี้เนะี่ยความแจ้งเนี่ยมันต้องมันอะไรทําให้แจ้งเองอ่ะนะมันเเกียกว่ามันให้แทนกันไม่ได้ก็คือถ้าเรียกว่าจักขูจักขูนะถ้าพูดถึงจักขูถ้าสะสมภาระมีเท่าไหร่ ห้าสิบสี่รูปแต่ตัวจกักรโคมีอันเดียวคือประษาธะนับหนึ่งที่เหลือห้าสิบสี่ก็ต่างหากเออห้าสิบสามนี่ยห้าสิบสามก็เป็นสภาพที่แวดล้อมจากผูปสาธาตุทีนี้ยาตาปริญญาเนี่ยกว้างๆ ง, ง่ายๆสั้นๆเลยก็คือจกักรโคมีอะไรเป็นเหตุใกล้มหาปูตรูปไหยมหาปูตรูปนี้มีอะไรเป็นเหตุใกล้มหาปูตรูปมีมหาปูตรูปที่เหลือเป็นเหตุใกล้แต่เป็นมหาปูตรูปที่เกิดจาก กรรมกรรมที่เกิดจากรูปปตัตนหานเพราะรูปปตัตนหาในอดีตเป็นเหตุให้ให้เกิดตาถ้าอาศัยตาแล้วทำให้เกิดตัญหาใหม่นะ่ะอันนี้ก็เป็นสมุทัยให้เกิดตาในอนาคตเพราะฉะนั้นพิจารณาตาอย่างไรจึงจะไม่ให้เกิดตันหาอกีกแต่ว่าหลักการก็อย่างนี้เมื่อความเป็นของไม่เที่ยงละความสาคัญว่าเที่ยง เห็น yeah, ด้วยความเป็นทุกข์ละความสําค er ัญว่าเป็นสุขเห็นด้วยความเป็นอนัตตาละความสําคัญว่าเป็นอัตตาเห็นด้วยความเบื่อหน่ายก็ละคลายความเลิ่เพลินเห็นด้วยความดับก็ละสมุทัยใช่ไหมเห็นโดยความสละคืนก็ละความถือมั่นไอ้สละคืนเนี่ยสําคัญที่สุดใช่ไหมข้อสุดท้ายนะเรียกว่าปฏิเนสขาปฏิเนสขานุปัสนาสมมุติถ้าเป็นสภาวะของนิโรธก็คือเล่น อันนี้ว่าทิ้งจกักขุคนี้แล้วไม่ถือเอาจากักรโคอันใหม่อ่ะนะเป็นการวางสังขารธรรมทั้งกลวงอ่ะแล้วน้อมไปหาอาสังขตาธาตุได้อ่ะอันนั้นแหละเป็นการเจริญสักคาเพราะปฏินิสักคานี่แบ่งออกเป็นเป็นสองคือปักขันธนะเล่นไปหาอาสังขตาธาตุกับปริจาคะบริจาคอะนะบริจาคอะไรสมุทัย ปักฐานธนะเป็นชื่อของนิพานเล่นไปสู่พระนิพานเนีมุ่งเพื่อละสมุทยัยเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจการเจริญอนุปัสนาเจตในตาจะรู้จักปหานะประิญญาถ้าเจริญได้จนถึงขนาดเข้าใจปฏินิสคารเป็นการเล่นออกจากสังฆตะธรรมทั้งกรวงนะคร่ารู้วิธีออกกันะหรือจะใช้คําว่านิสรณะก็ได้ว่าตัวเล่นไปสู่นิสรณะ นิสระณนะทั้งตัวปฏินิสาขานุปัสนาจึงเป็นนิยานิกะเป็นตัวที่นําออกจากทุกเนี่ยนะเป็นตัวที่นําออกจากทุกเล่นไปสู่ธนิทานมุ่งประหารพู้มุ่งประหารวิปลาสในตาก็ได้ใช้ศัพท์ง่ายๆดีก็คือมุ่งละ ว, วิปลาสในจากขุกเนี่ยนะทั้นจากการถ้าเราเจริญพุทธานุส ต, ติเนี่ยนะ พุทอย่างที่บทว่าสัมมาสัมพุโทโธเนี่ยจะคูจะคูสมุทยัยจะคูนิโรจกคูนิโรธ้าขมนินีปฏิปทาแล้วเวียมที่เจรณาตามทวารต่างๆตามที่ต่างๆจะทําให้เราเจริญพุทธานุสติได้มากขึ้นกว้างขวางขึ้นในการทําปริญญาเนี่ยเราก็ยังยังทำไม่ได้มากนักเนี่ยเราก็มาเจริญในแง่พุทธเจ้าก่อนอย่างจะคูพระองค์ทําปริญญาแล้วด้วยยาตะปริญญาตีระนาปริญญา จากครูสมุทัยพระองค์ก็ทําอาหาณะปริญญาแล้วจากครูนิโรธพระองค์ก็ทําให้แจ้งแล้วจากครูนิโรธะคามไม่หนีปฏิปทาพราะองค์ก็เจริญแล้วหูก็เหมือนกันใช่ไหมโดยที่สุดเหมือนอะไรอย่างอัติอย่างเราไปบูชาพระธาตุเนี่ยนะก็ระลึกว่าอัติอันนะสรีระพระบรมสารีริกะสารีริกร ก, ก็คือสรีระอันนะ ธาตุธาตุที่อยู่ในศริระของพระพุทธเจ้าธาตุที่เกิดจากศริระของพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียกว่าสารีริกธาตุแต่เป็นธาตุที่สูงสุดเลยเรียกว่าปรมประมาเนี่ยสูงสุดถ้าตปรรมสาริริกธาตุเนี่ยเป็นธาตุที่พระองค์กำหนดรู้แล้วด้วยยาตะปริญญากับเอรณาปริญญาอัปีสมุทัยพระองค์ละแล้วด้วยปหานะปริญญาอัปทีนิโรธเนี่ย น, น, นะพระองค์ก็ทําให้แจ้งแล้วด้วยการเจริญ การเจริญอริยมรรคเนะเมื่อพระองค์เจริญอริยมรรคถึงที่สุดเนี่ยพระองค์ก็เล่นออกจากสมุทยัยตัวที่สร้างอาัตติเพราะนั้นพระองค์ทิ้งอัตติธาบนี้แล้วไม่ถือเอาอาัติธาต์ใหม่อีกต่อไปเนี่ยนยเะเพราะนั้นพระองค์ก็ทําที่สุดแห่งทุกข์ได้จริงๆเนี่ยนะเพราะนั้นเกี่ยวกับเรื่องการทําปริญญาเนะี่ยเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างนี้นะรูประขันพระองค์ทําปริญญาแล้ว ก็เจริญในแง่ดีบ่อยๆมากๆนะแล้วเราก็ลองมานึกดูนะลองมาทําปริญญาในในภายในเราดูแล้วก็เจริญพุทธานุสติไปกับการเจริญการปฏิบัติการพิจารณาการตรึกแบบนี้เอาเห็นไหมทีนี้มาดูลักษณะของการทําปริญญาว่าปัญญาในอันอปัญญาอันเป็นไปในการกําหนดลักษณะโดยเฉพาะโดยเฉพาะแห่งสภาวะธรรมเหล่านั้นเหล่านั้นว่านี้รูปรูปเนะีย สภาวะของรูปนี่ไม่เหมือนเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณใช่ไหมท่านรูปมันมีเป็นแค่รูปเป็นสภาวะที่เหมือนกันทุกรูปคือแตกสลายสลายตัวนี้เนี่ยหมายถึงรูปอะไรเป็นหลักในอัตถกถาท่านจ ะ, ะพระพุทธพจน์เลยนะยกว่าเพราะความหิวความประหายเป็นต้นก็แสดงว่าเน้นรูปที่เป็นกรรมมชรูปอุตตูชรูปหิวไหมไม่ได้หิวอะไรเพราะฉะนั้นรูป ที่แตกสลายสลายไปอะไรเพราะความหนาวความร้อนความหิวความกระหายสัมผัสที่เกิดจากเหลือบยุงลมแดดเป็นต้นเนี่ยนะเพราะเพราะความที่มันสลายไปเสียหายไปจึงเรียกว่ารูปก็คือกรรมมาชรูปนั่นเองนะเน้นไปที่กรรมมาชรูปที่เสื่อมสิ้นและสลายไปในบรรรูปที่สลายไปหมดนะรูปไหนเราเราถ้าสลายแล้วเราจะทุกข์มากเลยอ่ะก็รูปภายในนี่แหละเพราะฉะนั้นรูปทั้งหมดมีลักษณะเหมือนกันคือ สลายถ้าเวทนานะจะสุขจะทุกข์อุเบกขาก็ตามมีลักษณะเหมือนกันคือเสวยรสแห่งอารมณ์เนี่ยนะเสวยรสแห่งอารมณ์ใช่ไหมเหมือนอย่างว่าถ้าเป็นอาหารอร่อยก็สุขใช่ไหมถ้าอาหารไม่อร่อยก็ทุกข์ฉันใดเวทนาถ้าเป็นอิทธารมณ์เสวยความสุขถ้าอารมณ์เป็นอนิถารมณ์เป็นอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาก็เสวยแต่ ความทุกข์ข้าอารมณ์ธรรมดาทั่วๆไปนะกุเบกขาก็ดูนะบางวันวันไหนที่เรารับอิทธารมณ์มากๆนะวันนั้นก็มีความสุขมากใช่ไหมสเสวยสุ ข, ขเวทนาวันไหนรับแต่อา น, นิถารมณ์ฟังแต่ข่าวร้ายนี่ก็รับแต่สเสวยแต่ทุกขเวทนาเนี่ยนะเมื่อไรก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเดิมๆไปหมดเลยอันนี้ก็สเสวยกุเบกขาเวทนาทั้นก็ผู้ใดรับอารมณ์ชนิดใดมากก็จะได้สเสวยรบแห่ง อารมณ์เช่นนั้นเช่นนั้นเนี่ยนะคือพระธรรมที่ที่เกิดจากการไปไข่ครวนเนี่ยผู้ที่เข้าไปใคร่ครวนแล้วเห็นเองนะัเขาจะประทับใจกว่าที่จะเล่าจำแนกแจกแจงอย่างละเอียดเนี่ยนะแต่ว่าพระธรรมโดยเฉพาะในพร ะ, พระธรรมเนี่ยจำแนกว่าอย่างละเอียดอยู่แล้วเช่นแสดงเวทนาโดยสภาวะก็มีอยู่เวทนาจะนับหนึ่งก็ได้ใช่ไหมเสวยรสอารมณ์เป็นลักษณะแบ่งเป็นสองก็ได้ศุกกับ ทุกแบ่งเป็นสามก็สุขทุกอุเบกขาแบ่งเป็นห้าก็โดยอินสี่ห้าแบ่งเป็นหกคือตามทวารหกแบ่งเป็นสิบแปดได้ไหมก็เรียกว่าแบ่งนั่นนะมโนปวิจารณ์สิบแปดนะเช่นรับอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งสุขสมมนัตอุเบกขาถ้าไล่ตามทวารเท่ากับมโนปวิจารณ์สิบแปดก็เวทนาเหล่านี้ถ้าแบ่งเป็นภายในกับภายนอกแบ่งเป็นอดีตอนาคตและ ปัจจุบันนั้นมีปริยายของการกล่าวเวทนาตั้งมากหลายะแต่ว่าโดยรวมๆทั้งหมดก็คือสเสวยรสแห่งอารมณ์ไม่รู้ถ้าอิฐธารมยังก็โสมนัสถ้าอ น, นิฐารมย์ก็โทมรัตถ้ามัจฉัตตารมณ์ก็อุเบกขาทีนี้ก็มาดูอีกว่าอิทธารมย์แบบแบบอะไรแบบอาศัยเรือนหรืออาศัยเนคขมะอาศัยกามหรืออาศัยเนคขมะทุกขเวทนาอาศัยกามหรืออาศัย เนคขมมะอุเบขาอาศัยกามหรืออาศัยเนคขมมะก็เป็นไปตามนั้นไปการทําตัวนี้เนี่ยนะต้องอาศัยโสตะมากพอสมควรเลยแต่ที่สําคัญก็คืออุทธจักไม่กลุ่มรุมนะจึงจะเจริญได้อันทะี่จริงข้อมูลที่เรามีอยู่ที่ฟังทำมากันหลายๆท่านที่สังเกตดูเนี่ยพอที่จะเจริญได้แล้วแต่ว่าที่เจริญไม่ค่อยได้เพราะว่า บางทีก็นิวร์มันกลุ้มรุมเกินไปที่จะจะเจริญเพราะฉะนั้นบางคนก็จะทําปริญญาได้บ้างก็ตอนที่ฟังนะฟังไปก็คิดตามไปด้วยอะไรไปด้วยก็พอเห็นหน่อยแต่ถ้าไม่ได้ฟังเราอีกแล้วนิวร์เข้าต่อเพมันก็ถ้าไม่ฟังก็อ่านเอาจนกว่าเรียกว่าอินทรีย์จะแก่กล้ากว่านี้อินทรีย์ห้ามันชนะนิวร์ห้าได้เมื่อไหร่ก็ก็จะได้ดีหละผู้ที่เข้าเจริญได้ไม่ค่อยโนอกเงยนักไม่ค่อยได้มากกว้างขวางก็คือเนี่ยอากุศลมันกลุ้มรุมนั่นเองนั่นเอ ท่านิวร์เนี่ยมันทําให้ปัญญาที่ยังไม่เกิดไม่เกิดปัญญาที่เกิดแล้วมันก็เสื่อมมันทําให้เหมือนกับคนที่เคยเก่งเก่งฉลาดฉลาดเนี่ยนะท่านิวร์กลุ่มรุมดูเถอะคิดอะไรก็ไม่ออกเลยนะการมาฉันท่านิวร์เกิดขึ้นก็การเรียนก็เสียแล้วใช่ไหมพยาบาทนิวร์เกิดขึ้นก็ลืมหมดแล้วอะไรก็จําไม่ได้แล้วมันก็เสียหายมากนะนิวร์ง่วงอย่างเดียวนี่หมดเลยใช่หนังสือดีๆอะไรดีๆเนี่ยง่วงอย่างเดียวเนี่ยนะอใช้งานอะไรไม่ได้สักอย่างเลย ฟุ้งซ่านนะนะปุทธจากกูุจากํำเริ่มอ่ะนะก็เดือดร้อนอีกนึกสงสัยขึ้นมาก็จบเลยเพราะฉะนั้นนิวรห้าเนี่ยมันบันทรจริงๆอ่ะนะมันเป็นตัวทำลายโดยประการทั้งปวงแต่ก็ถ้าจะแบบนั้นก็เอานิวนมาทำปริญยาก่อนก็ได้ใช่ไหมพระองค์ก็สอนไว้เหมือนกันเมื่อกามมาฉันท่านิวรมีอยู่หน้าภายในก็รู้ชัดว่ากามมาฉันท่านิวรมีอยู่หน้าภายใน ที่มันมีก็เพราะว่าไม่เคยขมไม่เคยอะไรมันก็เกิดอยู่แล้วแหละการมาฉันท่านิวร์ที่ไม่มีอยู่หน้าภายในก็รู้ชัดว่าการมาฉันท่านิวร์ไม่มีอยู่หน้าภายในถ้าไมมันจึงไม่มีเนี่ยนะก็เพราะเจริญสมถาวรพิปัสนาเป็นต้นขมมาไว้เป็นต้นเนี่ยนะหรือเพราะมันยังไม่ได้ปัจจัยที่จะให้เกิดเนี่ยนะเมื่อมีแล้วเนี่ยนะการมาฉันทานมีอยู่เนี่ยจะละได้โดยประการใดก็รู้ชัดะการนั้นด้วยวิธีละละได้ ย, ยังไงเนี่ยนะ กรารมาฉันท่านิวรณ์ที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยและก็พิจารณาเป็นภายในบ้างพิจารณาเป็นภายนอกบ้างภายนอกพระพุทธเจ้าเคยเกิดกรารมาฉันท่านิวรณ์ไหมเคยพระอ ง, งตอนบางคระพระองค์งไม่มีกรารมาฉันท่านิวรณ์ใช่ไหมตอนที่เป็นพระโพ ธ, ธิสัตว์นะมีตอนที่พระองค์งได้ฌานก็นิวร์ไม่กลุ่มุมไม่เกิดนะีนะ อันนั้นเรียกว่าตอนที่ไม่มีแล้วการมฉันท่านิวรณ์ที่จะเกิดโดยประการใดพวกองค์รู้ไหมรู้อย่างเช่นอกุศนวิตกเป็นต้นนะที่ในทเวทาวิตรักโซนเนี่ยก็จะแยกว่าถ้าคิดอย่างนี้บ่อยๆนะอกุศลเกิดนะอโยนิโสมนัสิกานเมื่อไหร่เกิดก็การมาฉันท่านิวรณ์ก็เกิดละทีนี้การมฉันท่านิวรณ์ที่เกิดแล้วเนี่ยมีวิธีการละอย่างไรเนี่ยนะเช่นถ้าขณะที่กำหนัดอยู่เนี่ยแก้ยังไงจึงจะเลิกกำหนัดเลิกการมาฉันทะ แล้วที่ละแล้วเด็ดขาดจริงๆเนี่ยต้องระดับไหนแล้วต้องเข้าไปรู้อารมณ์นั้นแค่ไหนจึงจะละได้อย่างเด็ดขาดเนี่ยนะอันนี้คือคือเรียกว่าเป็นการทำปริญญาในนิวรถ้านิวนรระ ง, งับแล้วนี่นิวรณ์มันสางไปบ้างก็ไปพิจารณาอันอื่นก็ไม่โู่ยากนะราะการมีวิธียังไงไม่ให้อุทาจักกลุ้มร่ม